พวกเราพร้อมหรื อ, อยังพร้อมก็ทำปรับรู้สึกตัวขนะึ้นมาเวลาฟังธรรมนะเป็นเวลาที่เราต้องให้ความเคารพในธรรมะเหมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมะเป็นพระสาสดาแทนพระพุทธเจ้างั้นเวลาเราฟังธรรมเนะี่ยต้องตั้งใจนะ เหมือนเรากำลังเข้าเฝ้าพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเป็นพุทธเจ้านะหลวงพ่อเป็นแค่ลูกศิษย์ท่านสืบทอดกันมาเท่านั้นเองแต่ตัวเนื้อหาธรรมะเป็นของท่านท่านถ่ายทอดเอาไว้งั้นเราต้องฟังธรรมด้วยความเคารพในพระธรรมจิตใจต้องสงบสำรวมนะแต่ไม่ได้เคร่งเครียดจิตใจต้องอยู่กันเนื้อกับตัว เวลาเพียงชั่วโมงเดียวในชั่วโมงหน่อยๆถวายพระพุทธเจ้าซะลืมเรื่องของตัวเองไปก่อนเรื่องวุ่นวายภารากิจต่างๆลืมไปชั่วคราวถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมหรือได้ข้าวเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไปบางที่นะเขาไม่รู้การฟังธรรม ท, ที่ที่ถูกต้อง พอหลวงพ่อเริ่มเทศก็ลุกขึ้นถ่ายรูกปกันใหญ่ฉะนั้นไม่เคารพในธรรมะทาให้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจฟุ้งซ่านรับธรรมะไม่ได้สิ่งที่จะรองรับธรรมะนั้นก็คือจิตของพวกเรานี่เองและสิ่งที่รองรับอธรรมก็คือจิตของพวกเรานี่เองปกติจิตของเราก็รองรับอาธรรมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว มีเวลาชั่วโมงกว่าๆมาเปิดใจให้กับธรรมะรองรับธรรมะฟังธรรมด้วยความอ่อนโยนด้วยความอ่อนน้อมด้วยความไม่ถือตัวบางทีมีตัวอย่างนะนักปราชญ์ท่านฟังธรรมด้วยความอ่อนน้อมพวกเราจำชื่อท่านเจ้าคุนนอได้ไหมเจ้าขุนนอ ร, รัตรราชมานิตเวลาวัดเทพศริน มีการแสดงธรรมนะี่แต่ทั้งพระบวชใหม่ไปแสดงธรรมเนะช่าคุณนอก็ฟังเราฟังด้วยความสงบด้วยความสำรวมนะเรียบร้อยงดงามมากเลยเป็นตัวอย่างที่งดงามหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ท่านงดงามอย่างนี้กระทั่งผู้หญิงแม่ฉีน้อยแม่ชีพิมพาอยู่ว่าหีนมักเป้ง แม่ชีพิมพาเนี่ยท่านไม่เคยเรียนหนังสือแต่ท่านนั่งสมาธิแล้วก็ท่านกยหัดเขียนตัวหนังสือออกมาได้เขียนตัวหนังสือได้แต่ตัวหนังสือท่านนะเขียนมันไม่ค่อยเหมือนหนังสือไทยเท่าไหร่เพราะท่านแก่มากเขียนแล้วตัวหนังสือจะซ้อนไปซ้อนมาตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเมื่อวันหนึ่งก็เข้าไปกราบท่านท่านก็คุยเรื่องน้นเรื่องนี้นะท่านจะอารมณ์ดีบวดร้ายไปบวดร้ายมา อยู่ๆท่านก็หยุดปุ๊บนิ่งขึ้นมานท่านก็ถามบอกว่าลูกปฏิบัติหนิใช่ไหมบอกใช่ผ <c oughs> ม, มยิ่งถามอย่างอื่นนะเขาพูดทํานองนี้รูปปฏิบัติใช่ไหมบอกใช่ช่วยไปแปลหนังสือให้แม่หน่อยแม่ไม่ไว้ใจคนอื่นเดี๋ยวแปลเราคลาดเคลื่อนห <c oughs> ลวงพ่อความหนังสือของท่านแหละมาแปลเป็นภาษาไทย เขียนออกมา่าเขียนต้นฉบับเสร็จเอาไปอ่านให้ท่านฟังท่านไม่สบายช่วงนั้นไม่สบายมากนอนแสวอยู่ยงั้นพอเอาธรรมะไปอ่านธรรมะที่ท่านเขียนเองด้วยซ้ำไปท่านลุกขึ้นนั่งพับเพียบนะบนเตียงนอนนะขึ้นนั่งพับเพียบเลยพนมมือพนมมือพับเพียบฟังธรรมะถามแม่แม่นอนก็ได้นะ่ะ ไม่ได้หรอกเราต้องเคารพพระธรรมเนี่ยท่านสอนสอนสิ่งที่ดีที่งามมาให้นะนั่นธรรมาเป็นของที่พวกเราต้องฟังด้วยความเคารพด้วยความอ่อนน้อมด้วยความเอาใจใส่ถ้าเราได้เข้าใกล้สัตบุรุษได้ฟังธรรมได้ตั้งอกตั้งใจฟังได้พิจารณาใคล้ครวนในเนื้อหาของธรรมด้วยจิตที่มีสมาธิพอเราก็จะรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เมา่อเรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ถึงขั้นที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมะธรรมะเป็นของดีเป็นของสูงเราจะมาทําเล่นๆไม่ได้ต้องทําด้วยความเคารพปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาธรรมะนะปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาได้ยิ่งดีที่สุดเลยถ้าเราปฏิบัติธรรมโดยหวังว่าเราจะได้สิ่งนั้นจะได้สิ่งนี้เราจะไม่ได้อะไรเลยแล้วเพราะเราโลภอยู่ นั้นเราต้องปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมด้วยความสำรวมนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อบูชาคุณของท่านถ้าเราตั้งใจได้อย่างนี้การปฏิบัติจะไม่ยากอะไรหรอกในความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะแต่คนทั้งหลายนะัไม่เคยได้ยินธรร ม, มะก็เลยปฏิบัติไม่เป็น การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการเรียนรู้ความจริงของชีวิตการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเท่านี้เองถ้าเราได้เห็นความจริงของกายของใจมากเข้ามากเข้านะจิตใจเราจะยอมรับความจริงทุกสิ่งทุก อ, อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้อย่างเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเราก็เห็นร่างกายเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงการบังคับไม่ได้อยู่ตลอดวันร่างกายเรา หายใจเข้านะก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจออกหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าร่างกายของเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกในอิริยาบถเดิมไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจะนั่งให้สบายแค่ไหนจะนอนให้สบายแค่ไหนในเวลาเพียงไม่นานความทุกข์ก็จะตามเข้ามาถึงเราก็ต้องขยับตัวหนีความทุกข์ไปอีกมันคล้ายๆเราวิ่งหนีหมาล่าเนื้อนะ หมาล่าเนื้อไล่กัดเราอยู่เราก็วิ่งวิ่งวิ่งไปนะพอห่างมาหน่อยเราก็รู้สึกสบายแป๊บเดียวหมาก็ตามมากัดอีกแล้วความทุกข์นั้นได้ตามบีบคั้นทําร้ายในร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆนะต่อไปใจมันจะค่อยคลายความยึดถือในร่างกายลงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีร่างกายนี้ไม่ใช่ของพิเศษหรอกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราคอยรู้สึกอย่างนี้นะความผูกพันรักใคร่หวงแหนในร่างกายก็จะลดลงต่อไปร่างกายจะแก่มันก็เรื่องของร่างกายที่เป็นตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายจะเจ็บเพราะตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายจะตายตัวทุกข์มันจะตายสมน้ําหน้ามันไม่ใช่เราตายนะเนี่ยมาหัดรู้หัดดูความจริงจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงมันเข้าใจความจริงว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอก มาเฝ้ารู้อยู่ในจิตในใจเรานะในจิตใจเราเนี่ยเราวิ่งหาความสุขตลอดเวลาวิ่งหาความสุขตลอดชีวิตทำอะไรก็อยากมีความสุขทั้งนั้นแหละกระทั่งจะดูหนังฟังเพลงก็ทําไปเพื่อมีความสุขไปกินเหล้าเมายาก็หวังว่าจะมีความสุขนะทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อจะได้รับความสุขมาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจของเราสม่ําเสมอเราก็จะเห็นว่าความสุขมันสั้นนิดเดียวความสุขเหมือนภาพลวงตา ความสุขเหมือนความฝันความสุขเหมือนพยับแดดนะอย่างเราเห็นตามถนนไกลๆเหมือนมีน้ำํำยิบยับยิบยับอยู่พอเข้าใกล้ๆก็ไม่มีจริงเป็นภาพลวงตาเหมือนพยับแดดนะเหมือนเปลวควันเหมือนหมอกอะไรนี้ไม่นานก็สลายตัวไปเหมือนเมฆนะไม่นานก็แตกตัวไปเนความสุขในชีวิตเราในจิตในใจเราถ้าเฝ้าสังเกตรู้ลงไปความสุขเป็นของไม่ยั่งยืนนะ เหมืความฝันเหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดนถ้าเราเฝ้ารู้ความจริงอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ยความหลงไหลในความสุขมันจะลดลงถ้าความหลงไหลในความสุขลดลงเนี่ยความดิ้นรนเพื่อจะแสวงหาความสุขก็ลดลงที่เราดิ้นรนส่งจิตออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็วิ่งออกไปหาความสุขนั่นเองแต่ถ้ามันรู้ความจริงแล้วว่าความสุขมันเหมือนภาพลวงตาหลอกๆเท่านั้นเอง การที่จะดิ้นรนสแสวงหาส่งจิตออกนอกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีจะต้องส่งไปหาความสุขที่ไหนในเมื่อความสุขมันเป็นภาพลวงตาพอใจเราหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งนะเราก็ไปสัมผัสความสุขอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นความสุขที่เป็นอมตะเป็ความสุขของพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นความสุขสุดยอดเลยถ้าเราหลุดพ้นจากความปรุงแต่งได้เราก็จะสัมผัส พ, พระนิพพานได้ พวกเราก็มีหน้าที่เท่านี้แหละนะหน้าที่คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจคอยดูความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปอย่างในร่างกายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ในจิตใจก็เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงอย่างเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นพวกเราก็ดิ้นรนจะหนีมันอยากให้ความทุกข์พ้นไปเวลามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเราอยากให้ปัญหามันจบๆไปสีกที เราลืมไปอย่างหนึ่งว่าปัญหาหนึ่งจบปัญหาใหม่ก็มาเพราะชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันไม่เคยมีหรอกที่ว่าชีวิตปราศ จ, จากปัญหาไางทีไม่มีปัญหาอะไรเลยอยู่ๆก็ป่วยไข้ไม่สบายไปก็มีอยู่ๆคนที่เรารักก็ตายก็มีอยู่ๆทรัพย์สินเงินทองเก็บไว้ทั้งเยอะเศรษฐกิจปั่นป่วนแป๊บเดียวเงินทองไม่มีคุณค่าอะไรเนี่ยอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนะ แต่ถ้าจิตใจของเรานะคอยรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจเรื่อยๆกระทั่งร่างกายของเรานะก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษกระทั่งจิตใจก็เป็นของแปรปรวนในโลกนี้จะมีอะไรเหลือให้ไปชื่นชมยินดีเราไปชื่นชมยินดีของสิ่งต่างๆในโลกนะก็เพราะว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้กายให้ใจเป็นสุขให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ถ้าเมื่อเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่ากายกายใจเราเนี่ยมันเป็นทุกข์แท้ๆเลยมันจะเป็นสุขไปไม่ได้นะ การที่จะไปดิ้นรนสแสวงหาอะไรมาบำรุงบำเรอมันนะให้เกินความเป็นจริงความสมควรความจำเป็นนะก็ไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องเนนหน็ดเหนื่อยมากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเกิดจากเรายอมรับความจริงไม่ได้เรายอมรับความจริงที่กำลังปรากฏในปัจจุบันไม่ได้นะเราอยากให้บางอย่างหายไปเราอยากให้บางอย่างคงอยู่เราอยากให้บางอย่างเกิดขึ้นมา ของยังไม่มีเราก็อยากให้มันมีขึ้นมาของมันมีแล้วเราก็อยากให้มันอยู่นานๆบ้างอยากให้มันหายไปบ้างเนี่ยความอยากของเรามันก็เลยเกิดขึ้นตลอดเวลานะถ้าเรามีความเป็นกลางอยู่กับปัจจุบันได้นะความทุกข์ทางใจมันจะไม่เกิดหรอกเพราะความอยากมันไม่เกิดนี่ความเป็นกลางทางใจจะเกิดได้นะต่เมื่อจิตมีปัญญาเห็นความจริงนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะันเท่าเทียมกัน ความสุขกับความทุกข์ก็เท่าเทียมกันนะด้วยความไม่เที่ยงด้วยความทนอยู่ไม่ได้ด้วยการบังคับไม่ได้ยึดถือไว้ตลอดไปไม่ได้กูศอนกูสอนแลก็เท่าเทียมกันด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเท่าเทียมกันไปหมดเลยเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมากๆนะใจเดียะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเมื่ใจเราเป็นกลางนะถึงแม้เราจะไม่ได้มรกได้ผลอะไร เราก็ได้คุณประโยชน์มากมายแล้วคือความทุกข <iff> <t> ์จะตกหายไปเยอะเลยใจมันจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะถ้าใจเราไม่เป็นกลางนะใจเราจะมีความทุกข์มัจะยินดีกับสิ่งนี้ยินร้ายกับสิ่งนี้ยินดีในสิ่งใดนะก็อยากให้สิ่งนั้นเกิดเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วก็อยากให้อยู่นานๆยินร้ายในสิ่งใดนะก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นเกิดแล้วก็อยากให้หายเร็วๆความอยากมันก็ตามหลังมาเนี้ย เพราะฉะั้นเรามาเฝ้ารู้นะกระทั่งกายกับใจของเราเองก็ยังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งภายนอกยิ่งหาคุณค่าที่แท้จริงยากเข้าไปอีกนะใจเราจะค่อยเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะมาเรียนรู้ที่ตัวเองแล้วจะเข้าใจโลกทั้งโลกเลยนะถ้าเข้าใจลงมาที่กายที่ใจของเราเนี่ยแล้วก็จะเข้าใจโลกทั้งโลกเมื่อไม่ยึดถือในกายในใจนี้แล้วก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกโนะดยเฉพาะตัวจิตตัวใจนะตัวสําคัญมากเลย เรายึดถือจิตใจเนียวแน่นกว่ายึดถือร่างกายเวลาเราพอวนาเนี่ยจะปล่อยวางความยึดถือในร่างกายได้ก่อนการปล่อยวางความยึดถือในจิตใจปล่อยวางความยึดถือในร่างกายได้เราเป็นภูมิธรรมของพระนาคาเนี่ยปล่อยละแต่ปล่อยความยึดถือทางจิตใจต้องพระอรหันต์ถึงจะปล่อยได้เพราะพวกเรายัางไม่ปล่อยแต่ว่าเราก็เดินในร่องรอยที่พระรยเจ้าทั้งหลายท่านเดินกัน ค่อยๆฝึกค่อยๆดำเนินไปนะวัละเล็กวัละน้อยไม่ต้องรีบร้อนหรอกที่จะบรรลุเร็ ว, รวๆแต่ว่าปฏิบัติสม่ำเสมออย่ารีบร้อนที่จะให้ได้ผลอย่ารุกรีบรุกรลนปฏิบัติทุกรีบรุกรนไม่ได้กินหรอกแต่ว่าปฏิบัติแบบย่อหย่อนก็ไม่ได้กินเหมือนกันงั้นเราขยันดูนะดูบ่อยๆดูเนืองเนืองแต่ไม่ได้ดูด้วยหวังผลว่าจะได้อะไรดูไปเจนวันหนึ่งมันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้ จะเข้าใจความเป็นจริงของโลกด้วยนะทั้งกายกับใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและในโลกนี้จะมีอะไรที่น่ายึดถืออย่างบ้านเราเนียเราหวงแหนบ้านเรามากเลยปลูกบ้านราคาแพงสวยงามออกแบบเองสถาปนิกที่ไหนก็ออกแบบสู้เราไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่ร่างกายเราอยู่ไม่ได้ถ้าพอร่างกายเจ็บป่วยจริงๆนะความรักบ้านก็รักร่างกายรักร่างกายมากกว่า รักชีวิตมากกว่าหรือแต่ว่าเรารักคนโน้นรักคนนี้นะที่จริงเรารักความสุขในใจของเรามากกว่าเดีย๋ยวเรารักสามีพัญญาของเรานะแต่ว่าราักมากไปที่จริงเรารักความสุข ใ, ในใจของเราเรามีสามีมีพัญญานะเรารู้สึกว่ามีความสุข primary, เราก็เลยไปติดอกติดใจวัตถุแห่งความสุขหรือสามีพัญญาที่จริงเราติดความสุขหรือมีเงินมีทองนะเงิ น, น, น zet, ทองเป็นวัตถุแห่งความสุขของเราเป็น ที่ตั้งของความสุขถ้ามีเงินมีทองแล้วมีความสุข ท, ที่เราติดใจจริงๆคือติดในความสุขทุกสิ่งทุกอย่างชื่อเสียงเกียรติยศมีชื่อเสียงแล้วคิดว่ามีความสุขเราติดความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงนะว่าความสุขก็ไม่มีสาระแก่นสารนะมันจะคลายความยึดถือสิ่งต่างๆไปนะไอ้คำว่าของเราของเราเนี่ยมันเกิดจากโลภะทั้งนั้นแหนะถ้าโลภะสลายไป โลภานั้นมันตามหลังสุขเวทนามาถ้าเราเห็นว่าถ้าความสุขในจิตในใจของเรานี่เป็นของไม่มีสาระแก่นสารไอ้โลภ้าข้างนอกมันก็ยิ่งลดน้อยถอยลงไปโดยธรรมชาตินะไม่ต้องทําอะไรมากหรอกเงั้นเราปฏิบัตินะคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ในจิตในใจของเราเรื่อยๆจิตใจมีความสุขก็รู้ความสุขหายไปก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ อะไระไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้เรื่อยๆให้รู้สบายๆนะอย่างที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะสอนอยู่สม่ำเสมอว่าหลักของการเจริญปัญญาแล้วให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยประโยคสั้นๆนิดเดียวนะแต่ถ้าขยายความแจกแจงออกไปนะกว้างขวางเทศท้งวันก็ไม่จบเลยยังบอกให้มีสติสติเป็นยังไง ให้มีสติสติเกิดยังไงเนี่ยอยู่ๆมันจะมีได้ยังไงต้องมีเหตุของสติสติเป็นสภาวะที่ระลึกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเรานี้สติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นถ้าจิตจําสภาวะแม่นนะสติจะเกิดเองเราสั่งให้สติเกิดไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตางั้นหน้าที่เราจะให้มีสติคำว่าแค่คําว่ามีสติคําเดียวนะก็ฝึกกันต่างตายละ ต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆถ้าคนไหนถนัดรู้กายก็รู้สภาวะทางกายบ่อยๆมีใจ wow. okay. okay. เป็นคนดูนะรู้สภาวะของร่างกายไปเรื่อยๆดูร่างกายนี้เหมือนเป็นคนอื่นเหมือนเราเห็นคนอื่นเหมือนดูคนอื่นร่างกายหายใจออกคอยรู้ร่างกายหายใจเข้าคอยรู้ไม่ลืมมันร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนเรารู้ค่อยรู้เรื่อยๆอย่าไปลืมมัน เนะีน่ยพอเราหัดรู้บ่อยๆจิตจะจําสภาวะได้แม่นเช่นจําสภาวะที่หายใจออกได้แม่นจําสภาวะหายใจเข้าได้แม่นจําสภาวะของการยืนเดินนั่งนอนได้แม่นพอ ร, ร่างกายเราหายใจ ร, ร่างกายเปลี่ยนอิริยาบนะสถสติจะเกิดอัตโนมัติเลยมันจะรู้สึกขึ้นมาเนะี่ยความรู้สึกขึ้นมาถึงความมีอยู่ของกายของใจเนะี่ยบอกมีสติเนะี่ยคำเดียวนะคำ ว, ว่ามีสติถ้าฝึกจนเป็นสติอัตโนมัติ เกิดอัตโนมัติไม่ได้จงใจให้เกิดมีสติแล้วไปทําอะไรมีสติแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้มีสติแล้วต้องรู้กายรู้ใจการรู้คําว่ารู้คําเดียวก็มีความหมายรู้ไม่ใช่แปลว่าคิดรู้ไม่ได้แปลว่าเพ่งรู้ก็คือรู้เห็นอย่างที่มันเป็นเห็นร่างกายอย่างที่มันเป็นนี่แหละเรียกว่ารู้กายเห็นจิตใจอย่างที่มันเป็นนี่แหละเรียกว่ารู้ใจนะมีสติรู้กายรู้ใจคําว่ารู้คําเดียวก็มีไวยะนะ คำ ว, ว่ารู้คำเดียวนี้ก็คือทางสายกลางนั่นเองถ้าเราเผลอไปเราเลื่อนลอยไปเราลืมกายลืมใจเรียกว่าหลงไปนะย่อหย่อนไปตามใจกิเลสไปเป็นการสุ ข, ขาริการุโยคถ้าเราบังคับกายบังคับใจเอาไว้นะเพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่รู้กายรู้ใจมันก็เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติธรรมดามันอึดัด น, นะอึดัดขับห้องใจนี่ตึงเกินไป นั้นคว่าแค่คำว่ารู้ก็มีนวยะทั้งกวนะ้างกวางและมีสติรู้ใช่รู้อะไรรู้กายรู้ใจการรู้กายทำยังไงนะก็ต้องศึกษาการรู้กายรู้ลงปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้สดสดร้อนรเดี๋ยวนี้นเลยร่างกายกำลังหายใจอยู่ร่างกายกำลังหายใจออกร่างกายกำลังหายใจเข้าร่างกายกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกาลังนอน น, นี่รู้ลงสดสดร้อนๆอนไป ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะมีคำต่อท้ายถ้าดูจิตดูใจเนี่ยจะเป็นการตามรู้สภาวะที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆ น, น, นะเช่นกิเลสราคะเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันว่าราคะเกิดขึ้นในขณะที่มีสตินะนะั้นจิตเป็นกุศลในขณะที่มีราคะในจิตเป็นอกุศลกุศลและอกุศลไม่เกิดร่วมกันแต่ว่าการดูจิตดูใจเนี่ยเป็นการตามรู้แต่ต้องตามแบบกระชั้นชิดนะ เรียกว่าปัจจุบันสันตติถ้าดูกายเป็นปัจจุบันขณะคือขณะปัจจุบันเลยถ้าดูจิตดูใจของเรานะจะเห็นกิเลสต่างๆทำงานได้เนี่ยดูเป็นปัจจุบันสันติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันนะเนี่ยดูวิธีดูกายก็ไม่เหมือนกับดูจิตวิธีดูจิตก็ไม่เหมือนดูกายดูกายดูเดี๋ยวนี้เลยรู้สึกถึงกายเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ดูจิตเนี่ยจะดูตามหลังไปติด จิตมันโลบนะรู้ทันว่าโลบจิตมันไหลไปแล้วจิตไหลไปคือจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตไหลไปเนี่ยฟุ้งซ่านไปก่อนแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านโลบไปก่อนแล้วรู้ว่าโลบหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงโกรธไปก่อนรู้ว่าโกรธอย่างนี้อิดช้าไปก่อนแล้วรู้ว่าอิดฉ้ากลัวไปก่อนแล้วรู้ว่ากลัวกังวลไปก่อนแล้วรู้ว่ากังวล แต่ไม่ใช่เมื่อวานกังวล น, นะวันนี้เพิ่งรู้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ปัจจุบันสันตติไม่ต่อกับปัจจุบันนะไม่เป็นปัจจุบันนะห่างไกลเกินไปแม้ประโยคที่หลวงพ่อสอนนี่แม้มีสติรู้กายรู้ใจครอบคลุมธรรมะตั้งมากมายแต่การรู้กายรู้ใจนั้นต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแค่คาว่าความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือไตรลักษณ์ถ้าไม่ได้เห็น กายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่การเจริญปัญญานะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานลำพังเห็นร่างกายอยนะเห็นจิตใจของตัวเองเนี่ยมันจะรู้อยู่เฉยๆนะเห็นแต่ตัวสภาวะของร่างกายตัวสภาวะของจิตใจไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจยังไม่ชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นเนื้อแท้ของมันเห็นลักษณะที่แท้จริงของทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งรูปธรรมนามธรรม เนื้อแท้ของสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรม ท, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจเราก็าคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องเห็นถึงเนื้อแท้ของมันเห็นถึงลักษณะที่แท้จริงของมันไม่ใช่เห็นแค่ตัวของมันนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นทําไมเรารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเพราะลักษณะของความโกรธไม่เหมือนความโลภไม่เหมือนความหลง แต่ลักษณะเฉพาะตัวอย่างเนี้ยเขาเรียก ว, ว่าวิเศษลักษณะวิเศษคือวิเศษพิเศษนั่นเองลักษณะพิเศษเฉพาะตัวการที่เราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าเป็นความโกรธเนี่ยเพราะเราจําลักษณะพิเศษของความโกรธได้ความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยมุ่งทําลายล้างความโกรธเกิดมาแล้วอื่นอาจขัดข้องใจนะไม่สบายใจแล้วจําสภาวะได้สภาวะอย่างนี้นะเรียก ว, ว่าวิเศสลักษณะ ถ้าเราจำแค่ตัวสภาวะของมันได้จำว่าราคาหน้าตาเป็นอย่างนี้โถสะหน้าตาอย่างนี้ฟุ้งซ่านเป็นแบบนี้หดหู่เป็นแบบนี้สุขเป็นแบบนี้ทุกข์เป็นแบบนี้รู้ได้อย่างนี้เรียกว่ารู้ลักษณะเฉพาะตัวหรือวิเศษลักษณะการเห็นลักษณะเฉพาะตัวยังไม่ใช่การทำมิปัสฐานะงั้นอย่างเราเห็นท้องพองท้องยบนะเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ยังไม่เป็นมิปัสฐาน มีปรัชนาต้องเห็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ลักษณะพิเศษแต่เป็นลักษณะร่วมเรียกว่าสามัญลักษณะนะสามัญลักษณะหมายถึงลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างในใจในใจของเรานี้แหละลักษณะร่วมของมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่เรามาคอยรู้ใจมีความโกรธคอยรู้ใจมีความโลภคอยรู้ใจมีความหลงคอยรู้เนี่ยก็เพื่อจะเรียนรู้ให้เห็นความจริง ว่าแม้แต่ความโกรธก็ตกอยู่ใต้ใจ ร, รักแม่ความโลภก็ตกอยู่ใต้ใจ ร, รักแม่ความหลงก็ตกอยู่ใต้ใจรักนะความสุขก็ตกอยู่ใต้ใจรักนะความทุกข์ความเฉยๆก็ตกอยู่ใต้ใจรักการหายใจเข้าการหายใจออกการ ย, ยืนเดินนั่งนอนก็ตกอยู่ใต้ใจรักเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งจิตจะสรุปเป็นความรู้รวบยอดขึ้นมาความรู้รวบยอดนี่แหละคือตัวปัญญาอันยิ่งนะความรู้รวบยอดก็คือ การที่เห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเห็นไหมเห็นเป็นภาพรวมไม่ใช่เห็นแต่ละอันแต่ละอันนะการที่เราเห็นความโกรธความโลภความหลงเกิดดับเกิดดับไปนะเพื่อวันหนึ่งเราจะมาเห็นว่าทุกอย่างนั่นแหละเกิดแล้วก็ดับจิตไม่จะยอมรับตรงนี้ขึ้นมานะตรงนี้เราเรียกว่าเราตกเข้าสู่กระแสธรรมะนะได้พระโสดาบันขึ้นมาแล้วนะั้นประโยคที่หลวงพ่อสอนไว้นั้นกะว้างขวางมากนะ ให้มีสติรู้รู้ใชหให้มีสติรู้นะไม่ใช่เพ่งให้มีสติรู้กายรู้ใจนะรู้กายทำยังไง ร, รู้ใจทำไงก็ไม่เหมือนกันตามความเป็นจริงคือต้องเห็นความจริงของกายความจริงของใจความจริงของรูปนามเพื่อเห็นไตรลักษณ์เราจะทำได้เนี่ยมีเงื่อนไขมีประโยชน์ในวงเล็บ ประโยคหลักๆในการทำวิปัสสนาก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่ประโยคหลักมีเท่านี้เองมีส่วนขยายก็คือเราจะรู้ตามความเป็นจริงได้เนี่ยเราต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแม้จิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงเป็นเรื่องของสมาธิแล้นะสมาธิที่ถูกต้องต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่แค่จิตสงบใช่ไหมหลวงพ่อก็สอนเรื่อยๆนึกออกไหมบางทีก็สอนว่าสมาธิมี2แบบนะ สมาธิอันที่หนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียววันนี้เป็นสมถกรรมฐานสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์นับไม่ถ้วนอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่จิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่คนดูเป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นปรากฏการทั้งหลายที่ไหลผ่านหน้าไปสดสดร้อนๆเนี่ยเราต้องมาฝึกให้จิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ถ้าเรารู้ทันนะมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าจิตเคลื่อนไปเมื่อไรเรามีสติรู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติการที่รู้ว่าจิตเคลื่อนเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะระดับฌานก็คือเรารู้ว่าพอขึ้นถึงฌานที่สองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์ของฌานนะอย่างปฏิภาคนิมิตแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจิตเราไปจับอยู่ที่แสงอยู่เนี่ย อันนี้เป็นฌานที่1ตัวรู้ยังไม่เกิดเพราะจิตยังเคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างแต่พอเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างนัจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาวิตกวิจารณ์คือการตรึกการตรองถึงแสงนั้นจะหายไปในฌานที่สองไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาได้นี่ก็คือการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจับปฏิภาคนิมิตแต่ถ้าเราไม่ได้ทาําฌานนะเราคอรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปในโลกของความคิดก็ได้ จิตเราเคลื่อนไปตลอดเวลาเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดถ้าจิตมันเคลื่อนไปดูเรารู้ทันมันก็จะตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปฟังเรารู้ทันมันก็ตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปคิดเรารู้ทันมันก็ตั้งมั่นในระหว่างจิตเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปคิดมีบ่อยที่สุดเนั้นถ้าเราจะฝึกให้ชำนี้ชำนาญเร็วๆนะเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไว นะวิธีรู้ทานจิตที่ไหลไปคิดการรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวเนี่ยมันต้องมีการเปรียบเทียบมีที่หมายมีที่สังเกตนะอย่างถ้าเรามีรถยนต์2องคันนะวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันขนานกันไปเนี่ยเราจะรู้สึกมันไปด้วยกันเรื่อยๆหลงไปด้วยกันพร้อมๆกันนะนะแต่ถ้าเรามีเครื่องหมายมีหลักกิโลสังเกตนะว่าเคลื่อนไปจากหลักกิโลนี้เราก็รู้ว่าเคลื่อนไปละ หลักกิโลหรือตัวเครื่องสังเกตนี้เรียกว่าเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่งั้นเราต้องทํากรรมฐานอย่างหนึ่งที่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ได้แล้วค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหนีไปคิดแล้รู้จะอยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดหรือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเพ่งลมหายใจถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเราก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานะเหลือตัวสุดท้ายคือต้องมีจิตที่เป็นปลาง ตั้งมั่นอย่างเดียวยังไม่พอต้องเป็นกลางด้วยนะตัวเป็นกลางเกิดจากอะไรตัวเป็นกลางเกิดได้หลายอย่างนะเกิดจากสติก็ได้เกิดจากสมาธิก็ได้เกิดจากปัญญาก็ได้เบื้องต้นก็ต้องให้เกิดจากสติก่อนถ้าจิตเวลาไปรู้อารมณ์ใดๆเข้าแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันเรียกว่ารู้ด้วยสติสติเป็นตัวรู้ทันพอเรามีสติเป็นตัวรู้ทันจิตที่ยินดียินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆ เช่นเห็นรูปที่สวยแล้วยินดีนะได้ยินเสียงที่ไม่เพราะไม่ถูกใจเสียงหยาบคายยินร้ายเนี่ยเราไม่ได้รู้อยู่แค่รูปแค่เสียงแต่เรารู้ทันเข้ามาถึงจิตถึงใจที่หลงยินดียินร้ายด้วยถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ยินดียินร้ายเนี่ยความยินดียินร้ายจะดับนะอัตโนมัติเลยจะดับจิตจะเป็นกลางเพราะสติเบื้องต้นเป็นกลางไปเพราะสตินะเบื้องปลายจะเป็นกลางด้วยปัญญา พอจิตเป็นกลางแล้วเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับแสดงใจรักไปเรื่อยๆรูปธรรมก็แสดงใจรักนามธรรมก็แสดงใจรักณในที่สุดจิตก็เกิดปัญญารู้ว่ารูปธรรมทั้งหลายนะก็ตกอยู่ใต้ใจรักนามธรรมทั้งหลายเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเสมอกันด้วยความเป็นใจรักพอมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันด้วยความเป็นใจรักษเนี่ยเรียกว่ามันเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะ เพาะฉะนั้นคว่าเป็นกลางเนี่ยมีเป็นกลางด้วยสติเป็นกลางด้วยปัญญาที่จริงมีเป็นกลางด้วยสมาธิอีกด้วยนะถ้าเป็นกลางด้วยสมาธิเป็นเรื่องของสมถะนะถ้าเจริญปัญญาอยู่ก็เป็นกลางด้วยสติด้วยปัญญาถ้าการที่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยอย่างเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าความสุขที่เกิดขึ Kid, ้นในใจเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงสุขแล้วก็หายไปสุขแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงนะนี่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะ ต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่ดองยินดีในชะมันมีปัญญาเนี่ยมันรู้แล้วว่าความสุขไม่เที่ยงจิตความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีนี่เรียกว่าเป็นกลางด้วยปัญญามีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ยินร้ายเพราะว่ารู้ความจริงของความทุกข์ว่าความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนี่แหละเรียกว่าเป็นกลางด้วยปัญญาเราต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองนะค่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมัน่นและเป็นกลาง เบื้องต้นเป็นกลางด้วยสติไปก่อนสุดท้ายมันจะเป็นกลางขึ้นมาเองด้วยปัญญาเมื่อจิตเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วเนี่ยตรงนี้คือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคบางคนนั่งภาวนาแล้วก็เคลิมบูบบ้าบาบ้านะไม่เคยเห็นใจรักอะไรเลยไม่เคยเห็นรูปนามแสดงใจรักษนั่งไปแล้วเคลิมบูบบูบไปแล้วบอกว่าบรรลุมรรคผลแล้วไม่ได้บรรลุจริงเลยนะถ้าไม่เห็นความเป็นใจรักษณ์ของรูปนามแล้วก็ไม่ได้เจริญปัญญาอยู่นะ ต้อพยายามเจริญปัญญาด้วยการรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจให้มากรู้ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นก็คือไม่อินไปในรูปในนามที่เรากําลังรู้อยู่ถ้าเราอินไปในรูปนามที่เรารู้อยู่เรียกว่าเพ่งนะหรือไม่เผลอ ER, ลืมรูปลืมนามเรียกว่าเผลอ ER. นะครัว่ารู้เนี่ยต้องไม่เผลอ ER, ไม่เพ่งนะงั้นประโยคเดียวที่หลวงพ่อสอนนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมัน่นและเป็นกลางเนี่ย ครอบคลุมธรรมะเอาไว้อย่างมากมายมหาศาลเลยอธิบายได้เป็นวันๆนะไม่จบหรอกแจกแจงได้ละเอียดยิบไปหมดเลยนี่หลวงพ่อยอ่อการปฏิบัติในฝ่ายมีปั ส, สนานะเหลืออยู่ประโยคเดี๋ยวนี้เพวกเราจะได้จาได้ง่ายๆแล้วก็ไปลองทำดูไปฝึกดูนะถ้าทำมากไม่เป็นก็ทำนิดหน่อยทำนิดหน่อยไม่ใช่ว่าทำนานๆครั้งนะทำนิดหน่อยหมายถึงไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอก แค่ว่าจิตใจเรามีความสุขคอยรู้จิตใจมีความทุกข์คอยรู้จิตใจเฉยๆคอยรู้เอานิดหน่อยเอาแค่นี้พอไม่ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในรูปธรรมนามธรรมหรอกนะคอยรู้ไปสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวหัดดูอยู่เท่านี้แหละถึงว่าหนึ่งมันจะเป็นกลางด้วยปัญญานั่นแหละมันจะเห็นนะความสุขมันก็ไร้สาระนะความทุกข์มันก็ไร้สาระนะความเป็นกลางเฉยๆก็มไม่มีอะไรไร้สาระเหมือนกันไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรสักอย่างเดียว ไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาความสุขเพราะความสุขไม่ไม่เที่ยงไม่ได้อาฝึกเพื่อจะเอาความไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ความเป็นกลางๆงเพราะความเป็นกลางๆก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเอาของไม่เที่ยงหรอกเราฝึกจนใจเนี่ยเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วถัดจากนั้นอริยมรรคจะเกิดเองเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยถึงเราไม่เคยเข้าฌานมาก่อนนะจิตจะเข้าฌานเองโดยอัตโนมัติเลยนะจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติ หลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลบอกว่าหลวงปู่ครับเราดูจิตอยู่ไม่ได้เจตนาเข้าฌานเนี้ยเข้าฌานได้ด้วยเหรือหลวงปู่บอกว่าดูจิตอยู่นะจะได้ฌานโดยอัตโนมัตินะจะได้ฌานอัตโนมัติเพราะเวลาที่เราดูจิตเนี้ยบางครั้งเราก็เห็นจิตเกิดดับแสดงไตรลักษณ์ในขณะนั้นเจริญปัญญาอยู่บางครั้งก็รู้สึกตัวอยู่เฉยๆตรงที่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆเนี้ยจิตเป็นสมถะเรียบร้อยแล้ะ นะตรงที่เห็นไตรลักษณ์ก็เป็นวิปัสสนาตรงที่ไม่เห็นไตรลักษณ์เป็นสมถกรรมฐานเพราอนที่ว่าดูจิต ด, ดูจิตเนี่ยทำสมถะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะมันควบกันอยู่แล้วเนะงั้นเราไม่ต้องกลัวนะว่าเราเข้าฌานไม่เป็นมีความสุขเกิดขึ้นในใจคอยรู้มีความสุขหายไปคอยรู้มีความทุกข์เกิดขึ้นคยรู้ความทุกขหายไปคอยรู้ ความเฉยๆเกิดขึ้นครรู้นะความเฉยๆหายไปคอยรู้รู้อยู่เท่านี้แหละรู้อยู่3มตัวนี้แหละเห็นสามตัวนี้แหละหมุนเวียนกันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะดูให้บ่อยๆอย่าจงใจดูมากเดี๋ยวเคร่งเครียดดูไปสบายๆคอยรู้สึกไปสบายๆอย่าไปจ้องอย่าไปเฝ้าดูการดูจิตมีทริกนะมีหลักสําคัญเลยห้ามจ้องห้ามเฝ้าดูถ้าดูแล้วมันจะนิ่งปล่อยให้มันทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดา ใหตาเห็นรูปให้หูได้ยินเสียงให้จมูกได้กลิ่นให้ลิ้นได้รสให้กายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอะไรให้มันกระทบไปตามธรรมดาให้ใจมันชิดนึกไปตามธรรมดาแต่เมื่อกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันเกิดเฉยๆให้รู้ทันเรียกมารู้อยู่ตรงนี้เรื่อยๆต่อไปปัญญาก็เกิดเองและสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยก็ไม่เที่ยงนะสุดท้ายจะเข้าไปสู่ความเป็นกลาง ไม่ดิ้นรนความสุขเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นที่เรียกว่าสักรว่ารู้ว่าเห็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นรนที่จะหนีมันก็แค่รู้แค่เห็นความเฉยๆเกิดขึ้นก็ไม่ได้ไปยินดียินไล่อะไรกับมันะก็แค่รู้แค่เห็นพวกเราเคยได้ยินคำ ว, ว่าสักรว่ารู้สักว่าเห็นไหมพูดได้ง่ายนะแต่ทํายากน ะ, ะพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังไม่ถึงคําว่าสักว่าจริงหรอกมีแต่สักว่าแบบทรงเดช น, นะ สักว่าทำสักว่าทำงานไปวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างนั้นสักว่าอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยตรงที่จิตมันสักว่าสักว่าได้เนี่ยจิตมันต้องเดินปัญญาจนเป็นกลางแล้วนะมันถึงจะสักว่ามีความทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าเห็นไปมีความสุขขึ้นมาก็สักว่าเห็นไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะว่ารู้ความจริงแล้วสุขทุกข์เฉยเฉยอะไรก็รู้นแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนเหมือนกันจิตมันจะรวมนะจิตมันจะหมดความดิ้นรน เมื่อจิตหมดความดิ้นรนแล้วเนี่ยถ้าปัญญามันแก่รอบนะสติสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์เพียงพอถึงระดับจะได้พระโสดาล่ะนะจิตก็จะรวมเข้ า, าปน า, มาสมาธิรวมเองและจิตจะเห็นสภาวะภายในเนี่ยเคลื่อนไหวเกินดับอยู่สองสามขณะถามว่าอะไรเคลื่อนไหวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวแล้วสิ่งนั้นดับไปอา้าทําไมเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคืออะไร เห็นแค่สิ่งบางสิ่งไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะท่านถึงใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยจะเห็นมาถึงจุดนี้นะอย่างตรงนี้ก็สําคัญนะถัดจากจุดนี้แล้วจิตมันรู้ความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยจิตจะปล่อยสิ่งที่เกิดที่ดับนะอะไรที่เกิดที่ดับนะก็ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉในใจของเรานี่แหละ หรือรูปประธรรมนามาทําทั้งหลายนั่นแหละที่เราเคยรู้เคยเห็นนั่นแหละนะส่วนตอนที่เข้าขั้นละเอียดเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าอะไรจะเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับพอมันรู้แจ้งแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาจิตจะปล่อยวางการเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดที่ดับนะจิตจะทิ้งสิ่งที่เกิดที่ดับทวนกระแสเข้าหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันจะทวนกระแสเข้าหาพระนิพพานนะ นิพพานมีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าไปสร้างขึ้นมาในขณะนั้นไม่เหมือนฌานสมบัติฌานสมบัตินะ่เกิดขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วก็ดับไปแต่พระ น, นิพพานไม่เกิดไม่ดับพอจิตปล่อยสิ่งที่เกิดที่ดับแล้วจิตก็ถอยเข้ามาทวนกระแสเข้ามาจิตยังเข้าไม่ถึงพระนิพพานก็ไม่ใช่พระอริยบุคคลจิตปล่อยรูปธรรมนามมาทำไปแล้วก็ไม่ใช่ปุถุชนเป็นสภาวะคาบลูปคาบต่อกสภาวะคาบรูปคาบ่อกเนี่ยช่วงขณะแวบบเดียวเท่านั้นสั้นนิดเดียวนะ มันปล่อยทางโน้นปุ๊บมันก็เข้ามาทางนี้เลยถ้าสติเราเร็วมากๆเราจะเห็นปุ๊บ ป, บปล่อยนะเคลื่อนเข้ามาหาธาตรู้พอนะเข้ามาถึงธาตรู้ใจดวงนี้ไม่ใช่จิตไม่ไม่เรียกว่าจิตผู้รู้อีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าจิตผู้รู้อยู่เป็นจิตที่เข้าคู่กับจิตผู้คิดอันนี้เป็นธาตรู้ขึ้นมา่วนที่แสเข้าถึงธาตรู้นะอสวกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มธาตรู้อยู่นี้จะถูกอริยมรรคทำลายล้างไป ขาดในพริบตาเดียวเลยนะอริยมรรคเนี่ยเหมือนมีดที่คมที่สุดนะเชื้อทีเดียววับเดียวขาดสะ บ, บั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วพิเศษมากกว่าอย่างอื่นถ้าเราตัดกิเลสด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยตัดแล้วประเดียวมันก็มาอีกอี่างพอเรามีโกรธรู้ว่าโกรธใช่ไหมความโกรธดับไปประเดี๋ยวก็มาอีกมีความโกรธ อ, อยู่เราทําสมาธิจิตไม่โกรธออกจากสมาธิโกรธอีกน หรือเจริญปัญญานะเห็นความโกรธก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไปเห็นมาเดียวก็โกรธอีกนะยังยังกลับกรอกอยู่การตัดกิเลสด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาเนี่ยแต่การตัดด้วยปัญญาในอริยมรรคเนี่ยนะพิเศษตัดแล้วตัดเลยไม่ต้องตัดอีกแล้วตัวไหนที่ถูกฆ่าตายแล้วไม่ต้องฆ่าอีกตัดครั้งเดียวแล้วก็จบกันไปเลยนั้นตัวแรกที่มันตัดไปนะก็คือความสําคัญมั่นหมายความเห็นผิดว่ามีตัวเราของเรา แต่เดิมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตคือตัวเราพวกเรารู้สึกไหมจิตเป็นเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเนี่ยถ้ายังรู้สึกอย่างนี้นะไม่ใช่โสดาบันนะเรารู้ตัวเองได้ง่ายๆเลยถ้ายังรู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราอย่างงน้นเราอย่างนีง้ไม่ใช่ตัวจริงหรอกนะเป็นโสดาตัวปลอมนะถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยพอมัดมันตัดแล้วเนี่ยถ้ากลับออกมาข้างนอกแล้วเนะี่ยจะรู้สึกเลยว่าไม่มีตัวมีตน ดูลงมาที่จิตเนี่ยจะว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนรู้ว่าสิ่งบางสิ่งมีอยู่นะพิจิตน่นากลายเป็นสิ่งบางสิ่งมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ยังมีอาการที่ส่งกระแสออกไปยึดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะส่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์ได้มีการเคลื่อนไปยึดถืออารมณ์ทางถวาวรทั้ง6ได้แต่ไม่มีผู้ยึด เรียกว่ามีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำนะถ้าเป็นพระโสดาแล้วจะมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำาล้วถ้าเป็นพระอราหันต์นะไม่มีผู้กระทำแล้วไม่มีการกระทำด้วยมีแต่ความเคลื่อนไหวของขันเรียกว่าเป็นกิริยาไปอย่างนั้นเองนะจิตนะั้นไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวอะไรอีกเลยนะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะค่อยๆฝึกไปงั้นเวลาที่อริยมรรตัดอาสวะที่หุ้มอยู่แล้วเนี่ย จิตซึ่งไม่มีอาสะวะครอบงำเนี่ยจะสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิเลยนะจะสัมผัสความสุขความสุขอันนี้เกิดจากการที่มรรคได้ทํางานเสร็จแล้วนะเปความสุขที่เกิดเป็นผลของมรรคเลยเรียกว่าผลมีความสุขสัมผัสมรรคผลนิพพานสัมผัสพระนิพพานสัมผัสสองขณะสาขณะนะจิตก็จะออกจากสมาธิมาออกจากสมาธิก็กลับมาอยู่ในโลกอย่างนี้แหละ และจิตโดยธรรมชาติมันจะรีบทวนเข้าไปใหม่ว่าเมื่อกี้นี้มีอะไรเกิดขึ้นกิเลสอะไรฆ่าตายแล้วกิเลสอะไรยังไม่ตายนะก็จะรู้ได้เลยว่าถ้าสักกายะทิฏฐิตายแล้วนะก็เป็นพระโสดาบันนะถ้ายังไม่ตายยังไม่ใช่ยังกลับไปกลับมามีเงาของมันอยู่ยังไม่ใช่เ่นะคอยรู้ทันบางคนนะภาวนาต้องระมัดระวังนะบางคนภาวนาแล้วชอบคิดว่าบรรลุโ น, น้นบรรลุ น, นี้จิตไม่มีกิเลสเลย วิธีเราจะดูว่ามีหรือไม่มีต้องดูว่าเขาเพ่งอยู่หรือเปล่าถ้าเขายังเพ่งอยู่เขายังประคองจิตอยู่เขายังติดอยู่ในภพนิ่งนิ่งว่า ง, ว, างว่างอยู่เนะียตัวนี้วัดไม่ได้ต้องให้เคลื่อนออกจากภพนั้นก่อนถ้าเคลื่อนออกจากภพแล้วกิเลสตรงนี้ทางานขึ้นมาให้ดูได้ว่ามีหรือไม่มีนะงั้นถ้าบางคนบอกเป็นพระอรหันต์แต่ก็ทําทำจิตอย่างนี้นทําอย่างนี้ทั้งวันคนด่าแม่ยังไม่กลรธเลย แล้วบองเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่เลยมันแกล้งทำนะจิตมันเป็นล็อกอยู่นะงั้นต้องไม่ให้จิตล็อกอยู่นะจิตเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนเราอย่างเนี้ยแล้วดูว่ากิเลสเกิดได้ไม่ได้นะต้องดูอย่างนี้นะดูด้วยในจิตที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละเพราะงั้นปัจเจกขะนะเนี่ยเข้ามาดูตรงจิตธรรมดานี่เขาไม่ได้ไปดูในฌานนะปัจเจเวขะนะนัเลยเกิดขึ้นนอกฌานนะอริยมรรคอริยผลเกิดในฌาน ออกจากชาญมาแล้วก็ปัจเจกขณะยานเกิดขึ้นคือทวนเข้าไปพิจารณากิเลสนั้นพิจารณากิเลสอยู่ในสภาวะจิตใจปกติของมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเรานี่ไม่ใช่ไปพิจารณาในฌานจะไม่เห็นเนะนี่ยพวกเราต้องฝึกนะค่อยๆฝึกไปสรุปง่ายๆนะถือศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะมีความสุขเกิดขึ้นในใจให้รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจให้รู้เฉยๆเกิดขึ้นในใจให้รู้รู้ไปเรื่อยๆ ถึงวันหนึ่งก็จะรู้ความจริงนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะถ้าได้ตรงนี้แล้วก็มาเรียนต่อนะอสอนธรรมะสูง ส, งสงูขึ้นไปหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อไปถึงขั้นสุดท้ายเลยนะขั้นสุดท้ายเนี่ยต้องปล่อยตัวรู้อีกจริงถ้าเป็นบอกเป็นพระละหันแต่ยังรักษาตัวรู้อยู่มันก็คือพบพบหนึ่งนัะ่นแหละไม่ใช่ของจริงหรอกถ้ายัางต้องระวังต้องรักษาต้องประคับประคองไม่ใช่ของจริงนะแต่ถ้าอยู่ๆไปปล่อยเลยก็สติแตกนะใช้ไม่ได้อีก อันนั้นแย่ที่สุดเลยปฏิบัติแล้วเพี้ยนเลยนะงั้นรู้สึกไปง่ายๆถือสี่ห้าไว้นะฝึกให้ใจอยู่กันเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวเองนะแล้วก็ดูจะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ถ้าดูอะไรไม่เป็นก็ดูความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจดู3ามตัวแค่นี้ก็พอละก็จะเห็นความสุขมาแล้วไปทุกข์มาแล้วไปเฉยเฉยมาแล้วไปนะดูพอแล้วอริยามรรคก็เกิดได้นะเนะท่านี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวหลวงพ่อบอกนิดหนึ่งนะเวลาถามคําถามอะ่ะอย่าอ้างอาจารย์นั้นอาจารย์นี้สํานักนั้นสํานักนี้นะถ้าอ้างแล้วหลวงพ่อเสียมารยาทที่จะไปวิจารณ์เราตอบคําถามอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือถามสั้นๆบางคนถามยาวเท่าลามาเกียนเลนะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนักปฏิบัติจริงๆไม่พูดมากหรอก นักปฏิบัติจริงๆนะมันเหมือนสมุไรนะชักดาบชับเดียวก็ฟันกันตายไปข้างหนึ่งแล้วไม่ใช่มาจดจ้องไา่ลำกระ บ, บวนท่ามากมายนะไม่ได้กินหรอกงั้นไม่ต้องถามยาวหรอกนะเอาแก่นๆเลยอ้าเชิญมุนสการจ้ค่ะโยมปฏิบัติโดยการบริกรรมเจ้ค่ะแล้วก็เคยส่งกันบ้านเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้รู้สึกตัวบ่อยเจ้คะ ดีขึ้นไหมล่ะรู้สึกดีขึ้นไหมยมรู้สึกตัวเมื่ อ, อนั่งนั่งในรูปแบบจ้คะคะแล้วก็รู้สึกตัวเมื่อมีเสียงกระทบที่หูที่ผิวหนังนี้ใช้ได้ไหมจ้ะคะใช้ได้แต่ต้องรู้ทันใจนะเมื่อกระทบเสียงมากระทบแล้วจิตไหลไปที่เสียงใช้ไม่ได้กระทบผิวหนังแล้วจิตไหลไปที่ผิวหนังใช้ไม่ได้แ ค, แค่รู้แค่เห็นว่ามีการกระทบแต่การกระทบที่ดีที่สุดเนี่ยต้องรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจ นะอย่างตามมองเห็นนี่ก็กระทบใช่ไหมหูได้ยินเสียงก็กระทบแต่ได้ยินเสียงแล้วถ้าเราไปกำหนดอยู่ที่หูนะใจจะนิ่งๆอันนี้เป็นการแทรกแซงวิถีจิตไม่ให้ทำงานตามธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้ยังไม่ดีได้สมถะแต่ถ้าเสียงกระทบหูแล้วมันส่งสัญญาณมาที่ใจเคยเห็นไหมกระทบที่หูแล้วจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจตัวนี้เรียกเป็นสัมปฏิจฉันนาจิตนะเสร็จแล้วมันจะพิจรารณา สัญญาณจะเข้ามาทํางานว่าเสียงนี้คืออะไรพอพิจนารณาเสร็จแล้วมันถึงจะตัดสินใจว่าชอบไม่ชอบต้องรู้ถึงชอบไม่ชอบจะไหมล่ะคะใช่<ๆ>ต้องรู้ให้ถึงนะแต่ถ้าอารมณ์นั้นเบาบางมันจะไม่มาที่ชอบไม่ชอบมันจะจบไปเลยอย่างเรานั่งรถไปเห็นคนเยอะแยะคนทั้งหลายเนี่ยไม่มีความหมายกับเรานชะ่ไมันจะไม่เข้ามาถึงใจที่ชอบไม่ชอบหรอกจะเฉยๆอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าเราคอยล็อกอยู่ที่ตามองเห็นก็คอยล็อกหูได้ยินเสียงก็คอยล็อกอยู่เนี่ยถึงอารมณ์จะแรงแค่ไหนก็ไม่เข้ามาที่ใจอย่างนี้ไม่ดีนะถ้าอารมณ์มันมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดความกระเทือน ข, นขึ้นที่จิตให้รู้ความกระเทือนนั้นนะรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาเรียกปฏิบัตินะให้ถึงจิตถึงใจเลยไม่งั้นจะไปล็อกอยู่ปิดเข้ามาไม่ถึงจิตกันไหมเต้องเป็นกลางไหมเจ้าคะ่ะเป็นเอง ให้รู้ทันนะว่าไม่เป็นกลางอย่าจงใจให้เป็นกลางนะอาศัยสติรู้ทันว่าไม่เป็นกลางเขาเป็นกลางชั่วขณะต่อไปเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ค่อยเป็นกลางด้วยปัญญาและอริยมรรึงจะเกิดเขาจะเป็นเองใช่ไหมจ๊ะเป็นเองเขาเป็นเองประโยคนี้ถูกต้องเลยเพราะมันไม่มันไม่ใช่เรามันเป็นของมันเองพระพุทธเจ้าสอนนะมีสูตรอยู่อันชื่ออจายิกสูตร ท่านบอกชาวนามีหน้าที่สมอย่างคือ1เวลาฝนตกก็ไปไถนาขออ้อ2ไถนาเสร็จแล้วก็ไปหวานข้าวขอา้อ3หวานข้าวเสร็จแล้วก็คอยควบคุมระดับน้ำน้ำมากเอาออกน้ำน้อยเอาเข้าถึงเวลาข้าวจะออกรวงเองพิกษูทั้งหลายเธอมีหน้าที่สาอย่างคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเมื่อถึงเวลาแล้วนะอริยมรรคจเกิดเองเข้าเป็นเอง มีอยู่ครั้งหนึ่งยมยมเคยเห็นมือที่นั่งสมาธิเนี่ยนะคะ<ม>แข็งแล้วก็<ม>เป็นเหมือนหิน อ, อแล้วใจเราดูอยู่อันนี้แยกกายแยกใจแล้วใช่มครัใช่แต่ตังต้งแ่ราคนกันนะนะอันนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากอํานาจของสมาธิถ้าใจนิ่งๆทื่อๆแล้วเห็นมันเป็นหินอยู่เนี่ยอันนี้เป็นด้วยอํานาจของสมาธินะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่เราอะ ไม่ใช่แข็งแข็งนะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่เราอันนี้ถึงจะใช่แต่ถ้าเห็นแล้วแข็งทื่อเป็นก้อนหินเลยแล้วใจเราเป็นคนนั่งดูอยู่เนี่ยอันนี้แยกด้วยกำนางของสมาธิเราก็เฉย เ, เฉยไวเออเฉยเฉยไวใจเย็นเย็นเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าอยู่เนี่ยต้งางเห็นไหมตัวนี้ยิ้มอยู่ใจเราเ<า><ไ>ป็แค่คนดูเนี่ยแหละแยกเรียบรูปแพรกนามแล้ว<า>ต่อไป มัสการหลวงพ่อครับคืออยากจะขอคําแนะนำมาครับในการเริ่มกลับมาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อก่อนนะครับผมเคยปฏิบัติโดยการกําหนดนะครับยุบนอพองน้อยนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็คือล้างมานานนะครับสามสี่ปีได้ครับตอนฝึกพองยุบได้ผลไหมสติเกิดไหมก็เกิดนะครับแต่ว่าช่วงช่วงหลังๆนะครับเริ่มเริ่มกลับมาทำ ผมก็จะทำส่วนใหญ่ก็ทํทำช่วงขับรถเงี้ยครับ ก, ก็จะรู้ตรงนั้นแต่ว่า ร, รู้สึกมันเวลาดูร่างกายที่พองที่ยุบนะหรือดูอิริยาบถเคลื่อนไหวอะไรก็ตามเนี่ยต้องดูด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางสบายๆไม่ถลำลงไปจ้องนะถ้าถลำลงจ้องจะเป็นสมถะขับรถอยู่บางทีจิตรวมเลยเห็นไฟแดงก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะ ถ้จิตมันรวมเข้าไปอย่างนั้นไม่ดีเลยนะครับงั้นเวลาที่เราเห็นร่างกายพองร่างกายยุบเนี่ยใจเราเป็นคนดูสบายๆเหมือนเห็นคนอื่นอ่ะเหมือนเห็นคนอื่นพองคนอื่นยุบไปไม่ใช่เราหรอกนะถ้าดูอย่างนั้นจะใช้ได้ครับกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้พองยุบก็ได้นะแต่ถ้าดูเป็นดูด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางพองยุบก็ใช้ได้อะไรก็เหมือนกันหมดแหละกราบนุษสการค่ะ คือจิตมันเหมือนคือตอนนี้มันถอยหลังอยู่อ่อออนะคือมันถอยหลังรู้ว่าถอยหลังนะถอยหลังรู้ว่าถอยหลังไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ <folded. S 2> อยากก้าวหน้ารู้ว่าอยากนะแล้วก็มันไม่ปกติเพราะว่ามันมันอย่างที่มันก็อย่างที่อยากอะค่ะ <c oughs> <Pu> พอเริ่มปฏิบัติมันก็รู้สึกว่ามันมีความอยากอยากครอบคลุมอยู่ <c oughs> แล้วทนี้มันก็ไปฟุง้งแล้วบางทีมันก็จะดึงแต่ไอการดึงเนี้ยมันมันเหมือนมันดึงเองอะค่ะ อีกอันนึ่งก็คือว่ารู้สึกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามันคิดนําหรือว่ามันมันเห็นอย่างเช่นเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราดูมานะอยู่หรือเปล่าเพราะมันรู้สึกว่ามันรักตัวเองคือมันมีอะไรมันจะเปรียบเทียบกับมาที่ตัวเราตลอดก็เลยไม่รู้อันนี้มันคิดนําหรือว่ามันเบื้องต้นบางทีก็ต้องคิดนําก่อนนะต่อไปก็ค่อยรู้อย่างที่เขาเป็นบางทีสภาวะใหม่ๆยังไม่รู้จักบางทีคิดนําก่อนก็ได้ แล้วต้องทํำยังไงกับ ม, มันคะท่านก็หัดไปด้วยจนเระทั่งมันเห็นเองไม่ต้องคิดเอาก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นงั้นก็คือรู้ว่ามันมีไ evet อ้ตัวนี้อยู่ก็ใช่แล้วก็ไม่ต้องใส่ชื่อมันก็ได้ว่ามันคืออะไรไม่สําคัญนะเคยได้ยินแม่น้านั้นสําคัญชะไหนไม่สําคัญอะไรหรอกถ้าอย่างงั้นเนี่ยเวลาที่มันเห็นอันเนี้ค่ะคือที่สงสัยอยู่เรื่อยคือมันมันคิดเอาหรือว่ามันอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันสงสัยก็กลับมารู้ว่าสงสัยอีกตอนนั้นก็จบละแล้วก็มัน มันก็รู้ว่าจิตเนี่ยมันถูกอํานาจกิเลสดึงไปง่ายนะคะมันมีบางทีมันรู้สึกว่ามันกลัวกิเลสด้วยค่ะมันอะไรนะมันกลัวกิเลสค่ะกลัวกิเลสก็ดีแล้วอย่าไปรักกิเลสนะมันกลัวหมายความว่ามันกลัวรู้สึกว่ามันมีอํานาจอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลัวว่ามันจะถูกดึงอะไรเงี้ยนั่นแหละกลัวเราก็ตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ถึงกิเลสมันดึงก็ไม่ให้ทําผิดศีลตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วก็มันมีเวลาที่เราเห็นเวทนากายเนี่ยนะคะ เกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่ามันแอบจริงๆแล้วมันแอบชอบเพราะว่ามันเลยไม่ยอมปล่อยมันแอบชอบในการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไปแก้ไขแล้วมันได้ความสุขตรงนั้นนิดนึงนั่นแหละให้รู้ทันจิตที่ไปแอบชอบนั่นแหละเห็นไหมปฏิบัติต้องเข้ามาถึงจิตนะถ้าไม่รู้ทันแล้วก็หลงปรุงแต่งอะไรไปเรื่อยๆแต่มันไม่ปล่อยความทุกข์ตรงนั้นก็ดูไปเฉยๆอีกไม่ได้สั่งให้มันปล่อยมันต้องปล่อยของมันเองก็คือมันอยากแอบชอบก็ มันโงอก็ปล่อยมันอย่างนั้นมันโง่ก็รู้มันไม่ใช่ปล่อยมันอีกอันนึงก็คืออจิริยามีคําเดียวนะคือรู้นะไม่ใช่ว่าปล่อยมันปล่อยไม่ได้ต้องรู้มันใช่เพราะว่ามันมันจะเกินจากเส้นของความพอดีค่ะมันไม่ยอมไปแค่ตรงรู้มเส้นพอดีไม่มีหรอกก็รู้ว่ามันเกินแค่รู้ตรงที่ผิด่ะแล้วมันถูกเองค่ะแล้วไอ้เรื่องที่มันพูดมากตลอดเวลาก็รู้อีกรู้ทันมัน มันพูดในใจไม่เป็นไรอย่าให้มันพูดทั้งนอกตอนนี้ที่รู้สึกว่าจิตไม่มีกําลังแล้วมันไม่ตั้งมั่นเนี่ยใช่จิตฟุ้งซ่านมันไม่มีแรงหรอกบริกรรมไปอะไรไปก็พยายามอยู่กับพุโทโธก็ยังอย่างนั้นอยู่ได้อยู่กับพุโทโธไป <c oughs> แล้วจิตหนีไปแล้วรู้อยู่กับพุโทโธแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ต้องฝึกอย่างนี้นะเห็นไหมว่าใจอยากพูดตลอดเวลาเห็นค่ะดูแล้วปล่อยไม่ไป <c oughs> อาราบพรสกาย มาสักการค่ะหลวงพ่ออหลวงพ่อให้หนูไปสวดมนต์แล้วก็ดูว่าเหมือนคนอื่นสวดหนูก็ไปเห็นแล้วค่ะเห็นไหมเหมือนคนอื่นมาสวดแข่งกันหนูก็ค่ะใช่ะะใชแล้วก็ก่อนที่จะออกมาเป็นเสียงสวดมนต์นะคะหลวงพ่อก็จะมีเสียงไม่ใช่เสียงอะไรก็ไม่รู้อะออกมาก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นเสียงแล้วก็สิ่งที่หนูเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวตนนามีค่ะแต่ไม่มีเห็นตอนหลับนะคะหลวงพ่อ หูเห็นประมาณนี้ค่ะเห็นอะไรนะตัวตนอะไรนะตัวตนอามีแต่ไม่มีค่ะแต่ไปเห็นตอนหลับเอมีแต่ไม่มีค่ะเอ อ, อถ้าถูกละถ้ามีแล้วก็ไม่ใช่อ่ะแต่ใจมันก็สลดนะค่ะพอนั่นแหละใจยังไม่เป็นกลางนะให้รู้ทันใจที่สลดกราบธรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ อปฏิบัติมาประมาณ5ปีเจ้าค่ะแล้วก็เป็นพวกเพ่งจ้องแล้วก็นะโทเพ่งจ้องเจ้าค่ะแล้วก็โทษศาส์จริตเยอะค่ะก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าปฏิบัติอยู่ในล่องรอยทางเดินหรือเปล่าเจ้าค่ะอยู่ไปทำอีกนะ เห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคนละอันกันเห็นว่ามันกายกับใจเป็นคนละอันกันเจ้าค่ะเคยเห็นใจมันวิ่งไปอืมที่ข้างนอกเจ้าค่ะแล้วก็กลับมาแล้วก็วิ่งไปแล้วก็กลับมาเจ้าค่ะน่ดูเรื่อยๆนะจะรู้เลยมันวิ่งของมันได้เองมันไม่ใช่เรามันวิ่งของมันเองนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลกับใจก็โคนละอันกัน เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านี่ค่อยรู้ค่อยดูไปนะสุดท้ายจะรู้ว่าอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วจิตเนี่ยเป็นของแปลกอย่างหนึ่งถ้าไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งมันนะตัวมันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้ามีความคิดนึกปรุงแต่งเข้าไปสาคัญมา่านหมายนะมีสัญญาเข้าไปหมายมันก็เป็นเราขึ้นมาเจ้าค่ะตัวมันจริงๆก็ไม่ใช่เราหรอก แล้วที่เป็นอยู่บางครั้งมันยังเพ่งอยู่ไหมเจ้าคะ่ะหรือว่าเป็นธรรมชาติแล้วอะไรนะคื อ, อ, อที่เคยเพ่งนะเจ้าคะ่ะแล้วล่าสุดนี่ก็คือไม่ค่อยได้เพ่งแล้วใช่ไหมเจ<ช>้าค่ะเพ่งน้อยลงใช่ดีดกับนามัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะส่งกันบ้านเมื่อสามเดือนก่อนหลวงพ่อบอกว่ายังฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็สภาวะที่เห็นมันยังไม่ชัดให้ไปเพิ่ม ฐานนะคะก็พอดีเรื่องตกกระทบเยอะก็ยังปฏิบัติไม่ได้ดีมากแต่ว่าอยากจะอขอข้อชี้แนะค่ะว่าตอนเนี้สภาวะที่เห็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติขึ้นหรือยังแล้วก็ชัดขึ้นไหมอะคะ่ะก็ดีขึ้นแหะชัดไม่ชัดเราก็รู้เองแล้วนะค่ะแล้วก็คื อ, เ, อเหมือนถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องตกกระทบเยอะแล้วก็มีหลายอย่างที่เหมือนทําให้ยังฟุ้งแล้วก็ปฏิบัติก็เลยมีปัญหาในการปฏิบัติที่ไม่ต่อเนื่องอะคะ่ะ อยางทำให้<อ>ต่อนเนื่องนะที่จริงแล้วสิ่งที่มากระทบอะ่ะมันไม่ได้มาทําให้เราเสียเวลาปฏิบัติออกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องการอยากให้ระบินมันไปก่อนแต่ถ้าจะอยากเป็นเรื่องงานเรื่องการนะเราก็ต้องตั้งใจคิดไปทําไปแต่พอหมดเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดแล้วเนี่ยถ้าใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรเราคอยดูไปเรื่อยๆนะปกติเราจะฟุง้งซ่านซะเยอะเลยนะ มันจะฟุ้งๆไปซึ่งตัวนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร้เรามีสติไว้นะค่ะอยากจะให้หลวงพ่อช่วยนะนนำข้อบกพร่องแล้วก็ขอการบ้านไปปฏิบัติต่อทำให้ต่อนเนื่องสิทำบ่อยๆน ะ, <c oughs> นะเราต้องไม่พลัดเวลาไปพลัดมันประกันฟุ่งไม่ได้ะชีวิตเราเป็นของที่มีน้อยมากเลยชีวิตของคนเราสั้นนิดเดียวนะประมาณสาม0มื่นวันเท่านั้นแล้วปีหนึ่งก็แป๊บเดียว น, นี่หมดเข้ามาเดือนกว่าแล้ว <c oughs> ค่ะก็ขอถวายการปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าหลวงพ่ อ, อแล้วก็พ่อแม่ค่ะเออดีนะมีพ่อมีแม่ด้วยดีขอบคุณกับนมสม ก, การพระอาจารย์ค่ะตัวโยมเนี่ยสวนมนต์มาเป็นเวลาสองปีแล้วก็เพิ่งมาฝึกดูจิตนะคะก็มีความสงสัยว่า เ, เมื่อเมื่อเราดูจิตแล้วแล้วใครเป็นคนดูคะคือสติมันคือสติใช่หรือเปล่าจ๊ะคะสติเป็นตัวรู้ทัน สติเป็นคนดูเป็นตัวดูจิตใช่ไหมเจ้าคะสติเป็นเครื่องมือของจิตอีกดวงหนึ่งไปดูจิตดวงก่อนมันเหมือนกับเรามีสองคนในในร่างคนเดียวเป็นคนดูนะเวลาโยมสวดมนต์นะคะแล้วโยมก็จิตโยมดูจิตแล้วจิตจิตโยมล่องลอยไปไหนไม่รู้นะคะไปคิดเรื่องอื่นโยมก็มีความรู้สึกว่าเรียกมันกลับมา่ะมันก็กลับและเดี๋ยวมันก็ไปอีก นั่นอย่างนี้เระอ า, าจารย์ช่วยแนะนำใเรียกบ่อยๆนะให้มันกลับมาบ่อยๆแต่เป็นการาบังคับมันไหมคะไม่ห้ามมันมันจะไปก็ได้แต่รู้บ่อยๆรู้ทันว่ามันไปนะมันจะกลับมาเองเ<ร>แต่ตรงตรงที่บางคนเห็นนะว่าเดี๋ยวจิตก็ไหลไปคิดแล้วก็กลับมา่ะเดี๋ยวไหลไปดูแล้วกลับมาไหลไปฟังแล้วกลับมาตรงนี้เรายัางขึ้นวิปัสสนาแท้ไม่ได้ยังไม่ถึงนะ ถ้าถึงมีปรัชนาแท้เนี่ยสัน ต, ติคือความสืบเนื่องจากขาดเราจะพบว่าจิตที่ดูเนี่ยก็เป็นดวงหนึ่งนะเกิดแล้วก็ดับเกิดที่ตากดับที่ตาจิตอีกดวงหนึ่งเกิดที่จิตรู้ว่าเมื่อกี้ไปทางตาไี่เป็นอีกดวงหนึ่งลคะนะคนละอันกันคนละอันกันแล้วโยมต้องใช้เวลานานไหมคะกว่ายโยมจะได้เจริญวิปรัสนะถ้าไม่คิดเยอะนะหาดรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ไม่ก็ฝึกดูไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติไหมเจ้าคะไม่หรอกต้องจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได้เจ้าค่ะถ้าจิตเป็นผู้คิดอยู่ไม่เป็นหรอกเจ้าค่ะมันต้องจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถึงจะเดินปัญญาได้จะเกิดปัญญากราบนรัมสการเจ้าค่ะกราบนรัสการ์พรคุณเจ้าคะ่ะโยมปฏิบัติทำมาดูกายดูใจเสร็จ แ, แล้วดูไปดูมาก็ มีความรู้สึกว่ามันมันไปคือผู้รู้มันจะเข้มแข็งเสร็จแล้วพ อ, อพอ โ, โยมอ่ะไปดูกายใช่ไหมคะมันก็ผู้รู้เข้มแข็งนั้นก็จะอ่อนกําลังไปเสร็จแล้วมันมันจะเหมือนว่าเบาว่างอย่างเงี้ยค่ะคือทําไปทํามามันก็ไปเจอแต่ว่างโอ้ถ้าอย่างนั้นมันไปเป็นสมถะคะนะพยายามกระดุกระดิกไว้นะอย่าให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยติดว่าง คะแล้วครั้นี้พอโยมแบบรู้สึกตัวอย่างเงี้ยค่ะมันจะพอรู้สึกปึ๊บมันจะเกิดความว่างขึ้นมาอีกโยมก็เลยงถ้ามันว่างขึ้นมานะดูร่างกายเลยดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อยกระดูกนะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายเรื่อยๆดูจนเห็นเลยมันเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ดูไปเรื่อยนะอย่าให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยอยู่คะแสดงว่าของโยมนี่ติดสมถะเยอะเลยใช่ไหมคะ แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบโยมมีความเข้าใจขึ้นมาว่าถ้าไม่คิดมันมันก็ไม่มีไม่มีเราอันนี้เข้าใจถูกไหมครับเข้าใจถูกแต่จิตมีหน้าที่คิดพระอรหันก็คิดพระโสดา ก, ก็คิดแต่ไม่มีเราอแล้วเรายังไงต่อครับท่านเราก็ดูไปเรื่อยนะจนเห็นเลยว่ากระทั่งจิตใจเนี้ก็ตกอยู่ใต้ใจรัก ถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านั้นก็จะล้างความเป็นเราไปแล้วที่ใจมันมันแบบว่าเหมือนคล้ายแบบมีหมุดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมันเจ็บทั้งทัที่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่เหมือนท่านเดินเข้ามาแล้วอยู่ๆมันเหมือนมีหมุดในใจมันยังไงบอกไม่ถูกท่านมันเจ็บให้ให้แ <c oughs> ยกไปเลยนะจิตเป็นคนดูความเจ็บเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ใช่จิตหรอกนะเพราะฉะั้นจิตไม่ได้เจ็บหรอก หัแยกขันไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นเป็นกรรมทางมโนรหรือเปล่าคะมี่กรรมเป็นเป็นวิบากของเขาอืมเป็นวิบาก ข, ข, ของโยมก็คือดูกายดูใจแล้วก็เคลื่อนไหวเยอะๆเออนะอย่าให้จิตไปติดว่างๆค่ะขอบพระคุณค่ะบางคนนะเอ่านก็จะว่างอยจะว่างนะบางทีสมัยก่อนอะ่ะอ่านหนังสือท่านพุทธทาสหลวงพ่อเองอะ่ะอ่านหนังสือท่านพุทธทาสแล้วท่านพูดถึงว่างๆนะ อราคิดว่าถ้าทําว่างๆนี้ก็จะดีไปเจอท่านจริงๆอ่ะท่านปฏิบัตินะท่านทําอานาปนานสตินะท่าไม่ได้ทําจิตว่างงั้เราต้องทําเหตุจิตว่างนั้นเป็นผลนะแต่ถ้าเราไปทําว่างขึ้นมาก็ให้เราไปทําผลเราไม่ได้ทําเหตุกลายเป็นว่างปลอมกราบนะมันส ก, การหลวงพ่อค่ะเพิ่งเพิ่งได้ถามครั้งแรกอะคะ่ะเพิ่งเริ่มฟังซีดีหลวงพ่ออย่าง อย่างพิจารณาได้สองเดือนนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามทีนี้ก็อาศัยพุทธโ่ะคะ่ะแล้วก็ดูว่าเวลาไปคิดก็กลับมาพุทธโทรเวลาไปคิดก็กลับมาพุทโธตลอดแต่บางครั้งก็ไม่ทันนะคะอย่างขับรถอยู่ก็พุทธโธแล้วก็คิดไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยแต่พอรถมอเตอร์ไซค์ปาดหน้านะคะ่ะมันก็ออกไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วแล้วก็เพิ่งจะมารู้สึกตัวว่าอ๋อมันพุทโธโทหายไปด้วยะคะ่ะก็พุโทโธใหม่ะคะ่ะถ้ามันไม่ได้หรอกนะ จิตมันจะออกมาห้ามมันไม่ได้คระ <GO> วังอันเดียวอย่าไปพุโทโธจนจิตรวมน ะ, ะตอนขับรถนะ่ะค่ะค่ะแล้วก็ตอนสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิก็นั่งแบบเงียบเงียบนั่งไม่ได้ก็เลยนั่งแบบดูดูไปว่าคิดอะไรคิดอะไรได้ยินเสียงอะไรแล้วก็กลับมาพุโทโธตลอดนั่งไปสักพักหนึ่งมันหายไปอะคะ่ะหลวงพ่อหายไปอะไรหายหายไปทั้งพุโทโธหายไปทั้งความคิดอะคะ่ะแต่ว่า ร, รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวอยู่ไหมรู้สึกตัวว่าตัวเองค่ะ ตัวเองก็ดึงกลับมาก็เลยไม่ไม่รู้ว่าถูกไม่ต้อ ง, งไม่ต้องอไปดึงหรอกค่ะภาวนานะประจิตสงบแล้วพุโทโธมันหายอค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วแล้วหนูต้องทําก็ต้องทําอะไรต่อคะต้องต้องปฏิบัติย <ทำ S 2> ังไงต่อทำอีกแหละทำอย่างนี้แหละค่ะค่ะเราท่องพุโทโธพุโทโธไม่ใช่เพื่อจะเอาคําว่าพุโทโธนะพุโทโธจริงๆก็คือจิตนั่นแหละ พอพุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นเองงั้นลราที่เราต้องพุทโธพุทโธเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ทันจิตนะพุทโธพุทโธอยู่ดีๆและแทนที่จะเป็นจิตผู้รู้กลไปกลายเป็นจิตผู้คิดจิตเป็นไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ทันนะมันก็กลับมาเป็นจิตผู้รู้มาเป็นตัวพุทโธนี่พอพุทโธมากเข้ามากเข้านะคำว่าพุทโธมันจะหายไปมันจะเข้ามาที่พุทโธตัวจริงคือตัวจิตผู้รู้นะงั้นพุทโธมันเป็นแค่ไส้เดือนนะ เป็นเหยื่อตกปลานะตัวจิตของเราเป็นปลาเราจะกินปลาไม่ได้กินไส้เดือนเนอกไม่ต้องกลัวว่าพุทโธหายแต่ถ้าจิตหายแล้วน่ากลัวนมอมสการหลวงพ่ออ่อนี่เป็นครั้งแรกที่มาฟังหลวงพ่อนะคะได้ซีดีหลวงพ่อมาฟังเมื่อสองเดือนเสศษก็ทดลองสองเดือนหนึ่งเหรอสองเดือนทําได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วก็เห็นไหมว่าไก่กระใจมันเริ่มเป็นโคลานได้ดูออกไหม บางครั้งค่ะเห็นสองเดือนนี้แยกขันได้แล้วเก่งเหรอคะอก็ก่อนหน้านี้ก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์สวดมนต์เรา<ม><ม>ได้สมาธิน ะ, <ค>ะสวดทุกวันได้สมถะได้กำลัง <คะ S 1> ถ้าไม่มีกำลังภาวนาไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีแต่กำลังนะแต่ไม่ยอมทำงานนะไม่เดินปัญญาก็ป่วยการมีแรงซะเปล่าแต่ว่าอยู่เฉยเฉยใช้ไม่ได้แล้ว แล้ว อ, อ, อยากทราบว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องไหมหรือต้องมีอะไรเพิ่มเติมถูกนะทำให้สม่ำเสมอไปแล้วก็ห้ามโลภห้ามอะไรนะคะห้ามโลภห้ามโลภโลภว่าอยากได้เร็วๆอยากได้อะไรเงี้ยน ะ, ะอยากได้มรรคผลอะไรเงี้ยลืมมันให้หมดเลยเราค่ะถือว่าเราปฏิบัติถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชานะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรเลยกระทั่งมรรคผลนิพพานก็ไม่เอานะปฏิบททัติแค่มีสติรู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันนี้แหละ เห็นใจรักไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเองดีทำสองเดือนได้ขนาดนี้เก่งคุณเจ้าค่ะกรับนะับวัสการหลวงพ่อนะครับผมก็เพิ่งเพิ่งมาใหม่เหมือนกันนะครับก็ทุกทุกวันก็พยายามที่จะสวดมนต์เช้าเย็นนะครับอตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็พร้อมกับทำสมถะไปด้วย ทำอะไรนะ อ, อสมถะครับปานาปานาสติครับอือก็พยายามให้มีสติถ้าจิตไหลไปก็รู้ว่าจิตไหลไปต้องอย่างนั้นแหละดังนั้นดีแล้วถ้ามีปิติก็รู้ว่ามีปิติถ้าอยู่นิ่งๆก็ถ้ารู้สึกนิ่งๆก็รู้สึกนิ่งๆนะครับอย่างนั้นครับผมเนี่ย ถ, ถ้าฝึกอย่างนี้นะเวลาทําในรูปแบบทําไปแบบนี้แหละปัญญาก็เกิดได้นะมีเห็นในปิติสั่งให้เกิดเก็ไม่ได้ใช่ไหมเกิดเองเกิดแล้วมันเที่ยวดับเองได้ด้วยใช่ไหม ความสุขเกิดแล้วก็ดับไปเป็นเองอุเบกขาเป็นเองดูไปเรื่อยอย่างนี้ก็เดินปัญญาในสมาธินะแล้วก็พอออกมาข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดีเกิดยินร้ายรู้ทันมันไปเรื่อยนะอย่างนั้นใช้ได้ขอบคุณครับดีปฏิบัติอย่างนี้กลับน้ำมศ ก, การค่ะหลวงพ่อลูก ยอมส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกนะคะแต่ปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งนะคะจากเริ่มต้นจากการสวมดมนต์แล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบนะคะทีนี้ปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยบางครั้งเนี่ยจากการที่ดูจิตตามรู้จิตของตัวเองเนี่ยบางทีมันมีความรู้สึกเบื่อพอเบื่อแล้ว ยอมกลับมาดูเรื่องของร่างกายจะสลับกันกับการดูลมหายใจแล้วก็ดูร่างกายตัวเองนะคะก็ถ้าเบื่อดูางกายแล้วมันเบื่ออีกเหรจะทาไงก็กลับมาดูลมกลับมาดูที่ลมอีกก็รู้ว่ามันเบื่อรู้ว่าแบบมันเบื่อแต่ว่าความฟุ้งเนี่ยมันมันลดลงไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่ามันยังยังเรื่องความเบื่ออยู่เราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อในาย เพรเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือถ้าคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นงั้นพอเราเห็นความจริงนะใจมันจะเบื่อนะแต่เบื่อแล้วอย่าหนีเบื่อแล้วให้รู้ทันความเบื่อเข้าไปอีกความเบื่อเกิดได้ก็ดับได้เช่นเดียวกับอารมณ์อื่นนั่นแหละใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางนี่ถ้าเบื่อแล้วหนีไปเอาอันอื่นนะเดี๋ยวพอเบื่ออันอื่นก็วิ่งไปหาอันใหม่อีกวิ่งหนีไปเรื่อยๆนะใจไม่เข้าสู่ความเป็นกลางสักทีมันหนีสะก่อนเราะงั้นเบื่อขึ้นมาให้รู้ว่าเบื่อ นะอย่าเพิ่งหนีนะถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆถึงจะหนีไม่ไม่หนีอะค่ะให้รู้รทันลงไปว่าเบือ่อลูกตามรู้โยมตามรู้ในในชีวิตประจำวันนะคะคืออารมณ์กโกรธเนี่ยที่เคยมีอยู่มากมายมันตามรู้ได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังเห็นมันอยู่ไม่ใช่พระอนาคามีต้องกโกรธอีกคือแล้วตอนขณะที่เห็นว่ามันมันเกิดขึ้นเนี่ย บางทีมันมีความรู้สึกว่ามันยังแช่อยู่แต่ว่าเรา เ, ออเราไม่เติมเข้าไปอะให้รู้ว่าแช่<ะ>อย่าเติมถูกต้อง<ะ>ปฏิบัติเกง่งไปดูนะอะไรๆก็บังคับไม่ได้<ะ>ดูมุมของอนัตตาบ่อยๆกลับนมรสการหลวงพ่อค่ะครับก็พวกเราฟังธรรมแล้วก็มีการส่งกันบ้านขึ้นเรียบร้อยนะครับโอกาสสุดท้าย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 ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาคารังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปะเมวาสมิจฉุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตู มาเตภวัตวันตรารโยสุขีที่คาโยโกภาอภิวาทนาศีลิสนิจังุทธาปจายิโนจตารโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพลังสา